ความเข้าใจพลาดข้อที่สามความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าบรรลุอาสวัคยยานหรือตรัสรู้ได้ในสัญญาเวทิยตะนิโรธกรณีนี้พึงทราบว่าคำบรรยายลลำดับการปฏิบัติตอนว่าด้วยสัญญาเวทิยตะนิโรธมักชวนให้ผู้ที่อ่านทีแรกหรือผู้ที่อ่านแล้วไม่สอบสวนความสืบต่อไปเกิดความเข้าใจผิดว่าเมื่อเข้าสมาบัตินี้แล้ว ก็ตรัสรู้หรือบรรลุอรหัตผลต่อไปภายในสมาบัตินั้นเลยดังความในบาลีในนาคสูตรอังคุตรนิกายนวากานิบาตว่าก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญาญาตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทายตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปพึงเข้าใจว่า ความในบาลีนี้ท่านเล่าเฉพาะลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลแท้ๆไม่กล่าวถึงเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆในระหว่างผู้อ่านพึงมองในลักษณะที่เป็นขั้นตอนต่างๆไม่ใช่มองในแง่เป็นการเล่าเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวผู้ศึกษาจะมองเห็นความหมายของบาลีท่อนนี้ชัดขึ้นเมื่อพิจารณาคำบรรยายที่แสดงรายละเอียดมากกว่านี้ในบาลีอีกแห่งหนึ่งคือในคาวีสูตร อังคุตระนิกายนาวกานิบาตมีพุทพจน์ดังนี้ภิกษุนั้นก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวเทยยตนะนิรอดอยู่เมื่อใดภิกษุเข้าบ้างออกบ้างซึ่งสมาบัตินั้นนั่นแหละเมื่อนั้นจิตของเธอก็เป็นของนุ่มนวลควรแก่งานด้วยจิตที่นุ่มนวลควรแก่งานนั้น สมาธิอันหาประมาณไม่ได้สมาธิที่กว้างขวางประณีดีล้ำเลิศย่อมเป็นสิ่งที่เธออบรมแล้วเป็นอย่างดีด้วยสมาธิอันหาประมาณไม่ได้ที่อบรมอย่างดีแล้วนั้นเธอจะน้อมจิตมุ่งไปเพื่อประจักษ์แจ้งด้วยความรู้จำเพะซึ่งอภิญยาสัจจิกะรนิยธรรมอย่าง ใ, ใดๆก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยาในธรรมอย่างนั้นๆได้ในเมื่ออาญตนะคือเหตุมีอยู่ กล่าวคือถ้าเธอจํานงอิทธิวิธาก็ย่อมถึงถ้าเธอจํานงทิพยโสตก็ย่อมถึงถ้าเธอจํานงเจโตปริยญาณก็ย่อมถึงถ้าเธอจํานงปุเพนิวาสานุสติก็ย่อมถึงถ้าเธอจํานงทิพยจักสุก็ย่อมถึงถ้าเธอจํานงอาสวัคไคก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยาในธทำอย่างนั้ น, น, นได้ในเมื่ออายาตนะคือเหตุมีอยู่ เมื่อเทียบกับบาลีบทหลังนี้แล้วก็จะมองเห็นข้อความในบาลีบทแรกที่ว่าเข้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรธกับเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปแยกห่างกันออกไปเป็นคนละตอนตอนแรกคือเข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ตอนหลังโดยช่วยเตรียมจิตอบรมสมาธิไว้ให้พร้อมตอนหลังคือ เพราะเห็นด้วยปัญญาอ า, าสะวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปได้แก่อ า, าสะวะกายาณซึ่งในกรณีของพระพุทธเจ้าก็ได้แก่การตรัสรู้นั่นเองข้อนี้แสดงให้เห็นว่าสำนวนแบบทั้งสองมีเนื้อความบรรจบตรงกันเป็นอันเดียวในที่สุด